ในกรงวงสีทองเฝ้าแต่มองท้องฟ้าที่สดใสไม่เคยบินทนลาท้องฟ้าไกลป่าพงไพรไม่เคยพบศบกับมึงตาจะมีภคยแค่ไหน ใครจะรู้จะโคดูสักครั้งรนทลาเบิกฟ้าฝนล่นลงไม่ขนาอยากนำพาชะตาตนชนไปเอ